หมาขององค์สมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความปรสงคนี้ให้บรนดาเป็นพุทธบริษัทพ้นจากความทุกข์คือพ้นจากาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นนโยบายขององ์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการจะเริ่มคำสารดีมากเมื่อรวมสรุปแล้วจัดเป็นหมวดก็ได้หกหมวดคือราคาจริต โสดาจริสโมฮาจาริสวิตตุจาริสัทธาจริสพุทธจริตกรรมฐานถ้าปฏิบัตตามจริตจะมีผลง่ายแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทยี่นั่งยูที่นี่เป็นผู้มีความหนักในศรัทธาจริตและพุทธจริสําหรับศรัทธาจริสบรรดาท่านหลายทํากันแล้วก็สิ้นส่งซอมแล้ว โดยศรัทธาจริตผู้คนที่มีศรัทธาหมายถึงว่ามีความเชื่อในคําสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าผู้ท่านพี่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดท่านก็เชื่อแล้วเฉพาะศรัทธาจริตมีกรรมฐานประจำหกอย่างพระเจ้าทรงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ ม, ม, มีความพอใจ กรรมฐาน6อย่างก็คือหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังคานุสตินึกถึงพระอริยสงศีลานุสตินึกถึงศีลจาคานุสตินึกถึงเรื่องทางการบริจาคเทวตานุสตินึกถึงความดีที่ทาบุคคลเป็นเทวดารวมความว่ากรรมฐานนหอย่างนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ต้องทําทั้งหกอย่างในด้านส่งเสริมพัทธาทําอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้แต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็อหนึ่งพุทธานุสติเพทุกคนพรารพพระเจ้าเป็นปกติอยู่แล้วทําแล้วสองธรรมานุสติเคารพก็ทำก็ทําแล้ว สามสังขานุติเกเราประสงค์ก็มีอยู่แล้วแล้วสี่สีลานุสติ <c oughs> สีลานุสติกก็มีแล้วแต่บางทีก็หล่นหายไปบ้างไม่รู้หล่นไปบ้างบินไปบ้างเป็นของธรรมดานะกรรองความว่าสําหรับจาคานุสติทางการบรัญญัติทุกท่านก็มีความมีจิตไม่งคงอยู่ในเรื่องในอย่างยิ่งอยู่แล้ว แล้วกเทวตานุสตรนึกถึงเทวดาการเทวตานุตติ์นี่ความจริงพระเจ้าแนะนำไม่ใช่เหี้ยนิโรธป่าแต่ว่าท่านที่เจริญกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้มโนยิธิอยู่แล้วท่านก็ทําแล้วเทวานุตติเพราะท่านรู้จักเทวดารู้จักวจิวดาเป็นยังไงชงเป็นยังไงรละนิพพา์เป็นยังไงถ้า น, นึกถึงนิพพานนี่เป็นอุบสมานุตตรกรรมฐานเป็นเป็นพุทธจริ กระรอความว่าในอนุสติทั้งหกราการหากว่าจะต้องซ่อมกันรู้บ้างก็เฉพาะสี่ลานุสติกรรมฐานนอกจากนั้นบรรดาท่านบริ ษ, ษัททรงตัวดีแล้วแต่ความจริงเรื่องปฏิบัติกรรมฐานตามจริตไม่จำเป็นทั้งครบทั้งหกอย่างแต่ว่าผู้ท่านมีครบถ้วนบริบูรณ์จริงๆแล้วห้าอย่าง บางท่านก็ครบหกอย่างบางท่านก็นขาดไปบ้างเล็กเน้อยนแต่ขอธรรมดาเป็นอนว่าสําหรับกรรมฐานส่งเสริมศรัทธาจริตคือจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาทุท่านมีครบถ้วนการเจริญกรรมฐานตามจริตนี่ถ้าทําได้จริงๆเป็นการบรรลุผลแบบง่ายๆ่ะว่าถ้าเจริญกรรมฐานที่จริตคำว่าจริตก็คืออารมณ์ที่ชอบใจ อารมณ์ที่ไม่ถูกใจนะักถ้าทําแล้วก็ฝืนถ้าทําถูกอารมณ์เดิมอารมณ์ถูกถูกใจในไม่ความถูกคุบุญเก่าบุญเก่าที่สั่งสมมาแต่นในชาตก่อนมาในด้านไหนถ้าทําตามด้านนั้นก็ได้ผลเร็วเหมือนกับคนที่มีความรู้เรื่องหนังสืออ่านหนังสือออกเขียนได้ค่องตัวดีถ้าเขาให้ไปอยู่ใน ป, าป่าแล้วสามสิบปีกลับมาก็ยังอ่านออก ข้อนี้เช่นใดบุญเก่าวก็เช่นเดียวกันฉะนั้นได้ได้กรรมฐานด้านศรัทธาจริดกรรมดาท่านผู้บริสัทครบถ้วนอย่างนี้ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ไปก็จะขอแนะนํากรรมฐานสาหรับตัดภูสัจริตว่าโลภะจริตท่านมีน้อยถึงดีแล้วการให้ทานการบริจาคเป็นกัดนับต่การตัดโลภะ ค, ความโลภที่มีกันอยู่แล้ว ถึงไม่ไตัดไม่ได้หมดถ้าตัดทุกวันก็หมดไปเรื่อยๆหน่อยไม่ชามก็หมดก็ยิ่งเชิงก้อำคัญนี่ญาติโยมพุทธบริษัทหนักใจเรื่องโทสะเฉลี่ยคือความโกรธเรื่องความโกรธนี่ถ้าใครยังไม่เป็นพระอนาคามีก็ต้องมีความโกรธเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าเราจะไม่มีเป็นพระอนาคามีถ้าเราจะตัดความโกรธทำยังไง สำเด็จว่ากูมีพระภา ه เจ้าตรงัากกรรมฐานได้แปดอย่างแปดอย่างนี่ความจริงก็ไม่ต้องอธิบายมากอย่างสี่อย่างต้นก็นได้จากบุ ม, มิหฐารสี่คือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสา ร, 3, รสามมุตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดทิยาไข่คนอื่นได้ดีพออยู่ด้วย 4. ี่เบขาวางเฉย อันนี้พระพุทธเจ้าทรงเลือกและก็อีกสี่อย่างคือกสินกระสินสี่อย่างมีโลหิตกสินเป็นต้นคือสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวสี่อย่างทั้งแปดอย่างนี้พระเจ้าให้ทรงเลือกให้เลือกเอาตามความชอบใจไม่ต้องทําทั้งแปดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าบรรดาเป็นพุทธบริษัทให้จิ่มีความอารมณ์ต้องการคิด คำว่าพิจารณาเนี่ยก็คืออารมณ์คิดถ้าจิตต้องการคิดก็ฉันคิดในโทมิฮานสี่ด้วยหนึ่งเมตาความรักก็คิดตามความเป็นจริงว่าถ้าเราประกาศตนไป็นศัตรูกับคนอื่นทําให้คนอื่นเขาเปลียดหรือว่าเราเปรียดคนอื่นอารมณ์เราก็ไม่เป็นสุขมันมีแต่ความมุ่นวมายเป็นทุกขต้องระวังให้ด้วยการนี้สองมุตตา ถ้าเราไม่สงสยัยคนอื่นมีจิตใจโหดร้ายเราก็ต้องมีอันตรายถ้าคนเราถ้ารักกันที่อย่างหนึ่งมีความสงสัยนั่นอย่างหนึ่งถ้าสองรายการในสองสองอาการนี้ถ้ามีประจําใจทุกคนหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันอย่าทุกคนก็จะมีแต่ความสุขแต่ว่าถ้าปเป็นอารมณ์คิดนี่เป็นคิดนะแนะนำเดวข้อ ถ้าเราคิดว่าจะเป็นศัตรูกับใครก็รมณ์คิดดูว่าการเป็นศัตรูมันดีหรือมันชั่วภัยอันตรายทั้งหลายเกิดจากความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมันเป็นของไม่ดีแต่ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ดีจิตของเราจะตัดโดโทสัพไม่ได้เพรอาจจะเกิดขึ้นได้เป็นของธรรมดาถ้าใช้อารมณ์คิดไม่เป็นที่ถูกใจองค์สมเด็จพระจอมไตรให้ใช้อารมณ์ทรงตัวนั่นคือเพ่งกสิน คำว่าเพง่งกระสินนี่กบันดาท่านพุทธบริษัทยายใช้เพ่งอยู่น้ําตาไหลนะมีไหลายรการมาบอกให้ทราบว่าเพ่งกระสินจงแสบตายนี่ไม่ถูกแล้ว <c oughs> กรสินพุ่งเโาตาดีดีดกระสินกระสินมาแรงเข้าตาตาบอดไปเนี่ยคำว่าเพ่งคือว่าตั้งใจจำไม่แยาตาเข้าไปเพง่งมีเพราะอย่างยิ่งโทสัจจริต ให้กับสินสี่อย่างคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวเอาสีใดสีหนึ่งตัวอย่างก็มีว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรอยู่เวลานั้นเอกสารขององค์สมเด็จพระบรมครูฝ่ายฝาเนี่ยเป็ภาษาญี่ปุ่นก็มีพระองค์หนึ่งไปบวบุตรสนนักของแท่งพระลูกชายในช่างคลอง ลูกชายในช่างทองนี่เป็นคนหนุ่มรูปร่างหน้าตาก็สวยเป็นคนร่ำรวยด้วยท่านราษาที่บทก็มีคิดว่าเด็อย่างเดิม น, นะว่าภาษาพวกนั้มีความรู้ไม่โทไั่ ว, วถึงเหมือนพมุกตเจ้าตอนที่ภาษาที่บทเป็นอาักษาราสาพวกบนขวา ม, มีปัญญามากก็จะมีความเข้าใจผิดคิดวา่าลูกชายในช่างทองนะี่เป็นคนมีราคาเฉลี่ยอชอบความรักเป็นเอก ยังให้กรรมาฐานสำหรับราคาจิตคือเราสุดกรรมฐานกับกายก ร, รตานุสติสองอย่างควบกันพิจารณาร่างกายของเราเองร่างกายคนอื่นด้วยว่าเป็นของสุขบกโสโครบไม่มีการส่งตัว่างนี้เป็นต้นทันพระลูกชายในช่างทองทำอยู่สามเดือนเป็นมันสาไม่มีคนในการปฏิบัติเลย เมื่อออกภาษาและภาษาที่บทก็คิดว่าเราคงให้กรรมฐานไม่ตรงจุดของคนบทผู้นี้ยิ่งพาไปเฝ้า อ, องค์สมเด็จพระจินสรศีกราบทธ่นในสงสาราบว่าให้กรรมฐานแก่เธอใ น, นด้สุภกรรมฐานมาถึงเสียสามเดือนเธอปฏิบัติไม่ได้สมเด็จไรจอมไตรจินนาดูหนา้าพุทธิยานเพียงแค่มองดูงก็รู้แล้ว อ, องนี้ไม่ใช่มีราคะจริตนําหน้าเป็นคนที่มีโทสะจริตนาหน้าที่เลสงอมตัดคำภาษาทีบทว่าสาลิกุตตะดูก่อนสาลิกุตกุลบุตรู้มีศรัทธาที่ศรัทธาคดช่วยไม่ได้และไม่มีเธอกลับได้พอสาลิกุตก็กลับเมื่อสาลิกุตกลับแล้วพระเจ้ า, จาการะตุในฤทธดอกโบทองคำของดอกหนึ่งให้เป็นสีแดง แล้วส่งใหพระองค์นั้นว่าเธอจะไว้นั่งหน้าวิหารที่กองทรายทาทรายให้เป็นมูลขึ้นมาแล้วก้านบัวปักไปที่นั่นแล้วลืมตามองดูเสียมองดูดอกบัวแต่ต้องคำได้เป็นสีแดงเมื่อจําภาพได้แล้วก็หลับตานึกถึงว่าสีแดงสีแดงสีแดงไม่ต้องเล่าออปากจําว่าสีแดงเมื่อภาพนั้นเลือนไปจ่ายใจก็ลืมตาดูใหม่ จำภาพให้ได้แล้วก็หลับตานึกอดสีแดงใหม่ทําอย่างนี้สลับไปสลับมาจิกว่าญาณจะทรงตัวในขณะหมายความจิตมีความรู้สึกว่านึกถึงเห็นดอกบัวตลอดเวลาไม่ใช่ตาเห็นไม่ใช่ตาคนะิดนะเอาจิตนึกถึงพระองนั่นท่านก็ปฏิบัติตามกราพระพุทธเจ้านําดอกบัวสีแดงแล้วออกไปข้างนอกไปติ้งกองทรายก็ทากองทรายหมุนขึ้นเอา ก, าาก้านตักลงไป แล้วก็นั่งขัดสมาธิปลื้มตาดูดอกบัวจำภาพให้ชัดใบกรีบวัวเป็นยังไงสีหัวเป็นยังไงถ้ากหลับตานึกถึงภาวนาวาสีแดบงบทีแดงนึกในใจทำอยู่อย่างนี้เป็นครู่เดียวท่านจิตก็เข้าเป็นฌานที่สีเมื่อจิตเริ่มเข้าเป็นเป็นฌานตั้งแต่พระพุทธราชชายธ่งมาสีก็กลาย อย่างสีแดงคลายจากความเป็นสีแดงทีละน้อยทีละน้อยจนทั้งเป็นสีเหลืองแล้วคลายจากสีเหลืองเป็นสีขาวเปล่ยนจากสีขาวเป็นสีแก้วเป็นประกายพลกอย่างนี้เขาถือถึงชาลีสีเมื่อจิตเข้านั่งเข้าถึงชาลีสีแล้วสมเด็จพระมหาวุณณีอยู่ในพระมหาวิหารก็พิจารณาว่าพระองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยจะบรรลุอรหันต์ได้ไหม ผมเด็กสะจัมตรก็ส่งทราบว่าถ้าไม่ช่วยเธอก็จะทรงฤทธได้แค่ชาลโลกีท่านี้ดีก็ต้องช่วยฉะนั้นมาองค์ท่านเด็กผู้มีาพาะทรงทราบยึงทร ง, งนิมิตให้ดอกบัวนั้เหี่ยวแห้งลงท่านนึกภาวนาเนภาพโสดสายฉะนั้นก็เรื่องตายมาดูเห็นดอกบัวเหี่ยวแห้งก็มีความรู้สึกในใจว่าดอก บ, บัวนี้ทําด้วยสองคํา มีความแข็งแรงขนาดนี้เมื่อกี้นี้สดใสเพื่อเดียวนี้เหี่ยวแห้งลงไปร่างกายของเราก็เป็นชี่นเดียวกับดอกบัวร่างกายมันอ่อนกว่ามันต้องเหี่ยวแห้งต้องสุดสมมากกว่าดอกบัวชั้นใดเราก็ไม่ควรยึดถือร่างกายต่อไปแล้วก็หลับตาต่อไปหลักตาในนิสพภาพดอกบัวด้วยนึสภาพร่างกายที่มันเหี่ยวแห้งสุกซมแบบนี้สมเด็จงรัหามนีก็ทนนิมิต่อไป ยังไม่ได้ดอกบัวนั้นหักกระจายออกไปแต่ว่าถ้าลืมตามาใหม่ๆหม่งทีข้างหนึ่งเห็นว่าดอกบัว ท, ท, ท, ที่แรกมันเดียวตอนนี้หักสีบ ก, ก็หล่นกล้ากกนกรงครับแตคิดว่าในใจว่าร่างกายของเราก็มีสภาพที่นี้นเหมือนกันเมื่อมีความเกิดขึ้นเบื้องต้นก็มีความเปลี่ยนแปลงเพียง น, น้อยน้อยทิ้งความเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายเราสดใสสวยสดสวงาม ความแก่เ<อ>ํามาครอบงมความเดียวแห้งกบปรากฏไม่ที่สุดความตายเข้าถึงเช่นเดียวกับดอกบัวนี้ในที่สุดให้เริ่มบรรลุอรรถผลเพราะมีชมิทายาในเวลานั้นนิระเบดาแต่พุทธริษัทตุท่านการปฏิบัติกำมัานตรงกับจริตมีผลเลิศและมีผลเร็วถ้าการปฏิบัติกำมัานฝืนจริตก็มีผลช้า แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านผู้บริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีกรรมฐานตรงกระจริตอยู่แล้วท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีสตจริตคือจิตมีสตานำหน้าอยู่แล้วคําว่าจริตเชื่อลงของใจหกอย่างขึ้นหนึ่งมีความเชื่อสตจริตสองราคาจริตหนึ่งราคาจริตมีความรักสวยรักงาม สองโทอาจาริมีความโกรธสามโมอาจาริตรกมิตกจริตตัดสินใจไม่แน่นอนอา ร, รมณ์ซึมซึมเกินไปทั้งโง่ไปหน่อยและก็ห้าศรัทธาจริตมีความเชื่อบหพุทธจริตมีความฉลาดความจรงอามรมณ์ทั้งหกอย่างนี้มีประจําใจทุกคนอยู่แล้ว <c oughs> ในบางครั้งเราจะชอบสวยสดสวยงามในบางครัง้งเราก็โกรธ บางครั้งบางทีเราก็คิดอะไรไม่ออกบางคราวล้วก็เชื่อง่ายบางคราวล้วก็มีความฉลาดทั้งหอย่างนี้มีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าพระเจ้าให้ดูอะไรนําหน้า <c oughs> คืออารมณ์แบบไหนหนักที่สุดถ้าอารมณ์ไหนหนักที่สุดตัดอารมณ์นั้นก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านผู้บริศัทธ์ี่นั่งยุตหนี่อารมณ์สะท้านหนักที่สุดควบกับพุทธเจดีคือความฉลาดมีสองอย่าง ก็จำอยู่แล้วนั่นในเจรีย์ทั้งสองรายการนี้ก็ยังไม่ต้องแนะนํากันการแนะนำตัดไอ้เบญจเลพิเศษนั่นก็คือโทษารเจดียเป็นตัวอย่างค้าจำทองท่านตัดตัวสัตว์ด้วยกิะสินสีแดงแล้วกระสินั่นสีอย่างคือสีแดงอย่างหนึ่งสีเหลืองอย่างหนึ่งสีเขียวอย่างหนึ่งสีขาวอย่างหนึ่งถ้าบรรดาท่านพระภัวสัตจะใช้กระสิน ก็ไม่ต้องทำเอกสรดึงเอากระดาษสีนั้นนั้นข้ามาตัดข้าวพอสมควรแล้วก็วางไว้ขนาก็มองดูถ้าสีอะไรจำสีแบบนั้นไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีนั้นถ้าสีนั้นเลือนไปจากใจก็ลืมมาติมเติมตาดูใหม่เขาดวงแบบนี้นะ <c oughs> แต่ว่าถ้าจะาให้ดีการตัดคูณสัจริตอาจจะมามีความรู้สึกว่าทุกท่านใช้สีเหลืองจะดีที่สุด การใช้สีเหลืองนี่แล้วไม่ต้องไปหาสีอื่นเพราะว่าพระพุทธรูปในี่สีเหลืองอยู่แล้วถ้าเอาพระพุทธรูปเป็นกนสินจะได้ผลสองอย่างคือเป็นพุทธานุสติ ด, ด้วยและเป็นปิตกากักสินด้วยได้ผลคือว่าหนึ่งตัดโทสะได้ด้วยและก็กาลังจิตเข้าถึงพระดิพานเกี่ยวด้วย ที่ที่ใช้พุทธรูปเป็นกลางสิงก็นั่งข้างหน้าพระธรูกลืมตาดูพุทธุพิจรารณาท่านแบบท่านนั่งแบบไหนนั่งขัดสมาธิเอามือผ้าเท้าว่ามือผว้าจะซ้อนทั้งสองมือแล้วมือมือหนึ่งอยู่ที่ตากมืออยู่ที่ที่เขาแล้วดูจําให้ได้จําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพุทธรูกนดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านยังไม่ได้วโนยิธินะ ท่านได้ดำนงยุทธีแล้วไม่ต้องทําแบบนี้จิตจับภาพพระพุทธเจ้าตรงเลยทีเดียวถาาจําภาพนึกถึงภาพพระพรูปแล้ก็ภาวนาว่าพุทโธก็ได้เจ้าอะไรก็ได้ตามชอบใจคำภาวนาตอนต้นนี้ไม่จํากัดแต่จําภาพสีเหลืองให้ได้จําภาพตรุูปให้ได้ก็แล้วกนวันภาพเอื่นภาพเลือนไปจากใจไม่จะตายเห็นนใจนึกเห็น ภาพเรือเป็นใจก็ลื่มตาดูใหม่ทำอย่างนี้สลับกันไปสลับมาถ้าจิตเริ่มเปอุปจารสมาธิคือมีสมาธิใกล้าชานยังไม่มีกําลังหนักนะักภาพสีเหลืองจะคลายตัวคาภาพสีเหลืองไม่ใช่ลื่มตาดูนะจิตที่เรานึกถึงสีเหลื อ, ของของพระพุทธรูปเนี่ยจะมีความรู้สึกสีเหลืองก็ก็าจางลงไป สีเหลืองจางไปจางไปจางไ ป, งไปเรื่องเกิดเป็นสีขาวอย่างนี้จิตเป็นชันเริ่มข้าวทิ้นชันตนต่อไปสีขาวคลายตัวทีน้อยน้อยเริ่มเป็นแก้วถ้าเป็นแก้วใสสะอาด จ, จริงจริงอย่างนี้จะเป็นชานสีเพียงแค่จิตเขมรดาทังพุทธบุตรสาเข้าทั้งอุปจารสมาธิคือจําภาพประวัตรุปได้จําสีเหลืองได้ชัดอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจาระสมาธิเบตนุน เพียงแค่นี้กำลังใจของบรรดาในพุทธศาส น, นิะชนก็จะคลายโทสะลงไปมากมีความเยือเกเยินไนมากก็คิรทำถ้าทำสลับกันไปสักว์มาแบบนี้ทำประจำทุกวันถ้าคล่องกรรมฐานอย่างอื่นอยู่แล้วก็จงอยาทยิ่งกรรมฐานที่ครองทำอย่างนั้นให้มีการทรงตัวเมื่อจิตเรียบร้อยดีแล้วคือทรงตัวดีก็เริ่มจับพระพุทธรูป จำภาพสีเหลืองเป็นเจ้าสินต่อไปธ้รวปาท่านพุทธวิสัญญัยทําอย่างนี้เป็นปกติวันหนึ่งท่านจะใช้เวลาจําภาพรูปจริงจำสีเหลืองได้ด้วยความสรุปด้วยอย่างนี้วันหนึ่งสักห้านาทีรวมกันก็จะมีผลใหญ่ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่กาลังใจที่มีโทสะค่อยๆค่อยๆคลายตัว <c oughs> ถ้าจิตทรงถึงฌานสี่ เวลาใดที่จิตทรงฌานอยู่เวลานั้นความรู้สึกโทสะความโกรธมันจะไม่มีเลยแต่ขณะใดที่ฌานเสื่อมลงไปความโกรธมันก็เกิดแต่ก็เกิดเบามากถ้าเกิดมันเกิดบ้างสลายตัวบ้างไม่ช้าเรื่องวิปัสนาญาณก็เกิดคือปัญญาเราเกิดก็มีจะมีความรู้สึกตามความเป็นเจียงว่าคนที่เกิดมาทั้งชายทั้งหญิงในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีใครทรงตัว ถ้ารอยากคิดจะบรรลุสิร้ายทำไมเขามีความลาบากแล้วเขไม่ต้องทําต้องการเขามีความทุกข์ก็ไม่ต้องทําเขามีความทุกข์อยู่แล้วาคนทุกคนความอิ่ก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์การประกอบปิดกายง่ายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความปรารถนาไม่เป็นสมหวังก็เป็นทุกข์การทัดร่ายเจริญของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ ถ้าเราจะทําให้เขามีทุกข์เราก็ไม่ต้องทําเขาทุกข์อยู่แล้วจิตต้องคลายจากความโกรธถ้าคิดว่าเราจะฆ่าเขาตายถ่าเขาตายมันบาปมันบาปสองชั้นบาปเมื่อตายไปแล้วด้วยบาปเมื่มีชีวิตอยู่ด้วยบาปที่มีชีวิตอยู่ก็หมายถึงว่าบาปนี้แปลว่าชั่วถ้าเราไปฆ่าเขาตายญาติพี่น้องเขาโกรธ เขาคิดว่ตุ้นจะร้ายเราก็ต้องระวังใยอันตรายต้องนอนสะดุ้งอยู่เสมอก็ถือว่าเป็นทุกข์ทบาป ท, ที่ทำความชั่วดีทำถ้าตายไปแล้วก็ต้องตกกระบายภูมิถ้าคนที่เราคิดจะฆ่าเขาเราไม่จำเป็นต้องฆ่าเขาก็ต้องตายอยู่แล้วอ น, นี้เป็นมิตรศ า, านาญาณถ้ากำลังใจเกิดอย่างนี้ไม่เกิดแน่บรรดาท่านผู้บริสัทาจิตไม่สมาธิ ถ้าจิตมีสมาธิมารเพื่อสนายังก็เกิดเหมืนนั้นคือปัญญามันก็เกิดท้าวดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติอย่างนี้ด้วยแล้วก็ย้อนกลับอีกทีหนึ่งเข้าไปตัดสัญญาต์โดยใช้ปัญญาก็าตัดสัญญาต์เพืเ่อบรรรทตัดกิเลสตัวเข้าสู่นิพพานแน่กนามฐานุอย่างอื่นที่ว่ามันนี้ทำเป็นพื้นฐานให้ทรงตัวว่อาอย่างน้อยสุดถ้ามีกําลังอ่อนตายแย่ความไอคนก็เกิดปิทธิวดาได้ไม่เดือชั้น เป็นกำลังใจไม่คนคงดีเขาไปเป็นผมแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้พระเจ้าไม่ทรงนิยมต้องวาดบทคุณศาสนาบรมีต้องมาใหม่ต้องถูกใหม่สมเด็จพระจอมไตรต้องการให้มันดาจักรพรรดิโดยใสเข้าถึงนิพพานเลยคําว่าต้องการเข้าสู่นิพพานในเวลาจิตมัสบายคลายสมาธิก็ใช้ลงคิดตามความเป็นจริงตัดสังโยคสามเรื่องตนคืออรลงของพระโสมดาบัน ในกันหนึ่งมีความรู้สึกตามความเนจริงว่าชีวิตรเรามันต้องตายหรือเปล่าและเมื่อปัญญามันเกิดก็ต้องทราบว่าคนทุกคนในโลกนี้เกิดมามันต้องตายเขาตายชั้นใดเราก็ต้องตายชั้นนั้นแในการตายไม่จะตายมีสภาพส่วนถ้าอารมณ์จิตมีความมีเป็นอุศลก็ไปโสดุๆๆปกติถอารมณ์จิตแต่อกุศลก็ไปโสดุปกติมีนรกเป็นต้น เราต้องกายุศลหรือสุระีเปอย่างน้อยก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้บร ร, รรดาจะพพจนสัตว์มีอยู่แล้วทุกคนไม่หนักใจถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีอย่างใดเย่ยนหนึ่งโดยเฉพาะทุกท่านก็ลงนรกไม่ได้แล้วต้องไปสวรรค์ การไปสวรรค์เพีงแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะไปก็ไม่แน่นอนนักชาตินี้ไปสวรรค์แน่ถ้าหมดคุณวัฒนะบารมีหล่นลงมาบาปเก่าจะถึงลงอบายภูมิไปนั้นต้องป้องกันอบายภูมิฉัเลยคือไม่กลับลงอบายภูมิต่อไปก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์พยายามรักษาสินให้บริสุทธิ์วิธีรักษาสินเหาศินทักษาศสินห้าตัว ทั้งวันคบพ้นไม่ได้ก็ต้องตั้งใจรแล้วไว้เพียงวันละสามชั่วโมงคือตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าตอนนี้เราไ ม, ม่ยอมน้ำหมดสินห้าเด็ดขาดอะไรม่ใช่เกิดขึ้นยับยั้งใจไว้มันเลยไปแล้วก็วางไปตามเรื่องถ้าทําอย่างนี้จริงๆไม่เกินสามเดือนจิตของท่านจะิงศินไม่นนต้องระวังมันจะไม่ขาดไปจากใจ เป็นว่าท่านนั้นไหลตัดสังโยชน์สามในการได้คือหนึ่งไม่ลืมความตายสองไม่สงสัยในพุทธเจ้าในพระธรรมและพร ะ, รรระรรอริยสงฆ์สามที่พระสพรามาตตัดได้คือความไม่มั่นใจในสิ่งอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นประโสดาบัน <c oughs> ถ้ารงประสดาบันทวงใจบรรดาแทนพุทธบริษัทขึ้นเชื่อวบกูไม่มีต่อไป ที่ว่าสโสดาบันนี้เขห้ามลงนรกห้ามเกิดเป็นเปรตห้ามเกิดเป็นสุรกายห้ามสัตว์เกิดเป็นสัตว์ดฉันบาปเก่าทั้งหมดที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่สามารถให้ผลได้แต่กายเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดน้อยชาติอย่างมากเกิดอีเจชาติปณิพันธ์อย่างกลางก็เกิดสามชาติปิพันธ์ถ้าเป็นสโสดาบันรายละเอียดก็เกิดหนึ่งชาติปณิพันธ์แต่ว่าถ้าบรรดาแต่มุตุวิสัตถทุกท่าน สามารถไม่ลืมการละสังโยชน์สาในการคือหนึ่งไม่ลืมความตายสองไม่ลืมครพระพุทธเจ้าพระธรรมและพร ะ, ะอริยสงฆ์สไม่ลืมธรมัตบางสินและสีหยิดตั้งจิจตใจตั้งไม่โดยเพพาะว่าเราต้องการเป็นที่ไปแห่งเดียวถ้าเวลานี้ถ้าตายอะไรก็ตามทีขอปนิภัยจุดเดียวเท่านั้น <c oughs> แต่ก็บังเอิญจิตใจท่านยังไม่ถึงความเป็นพระรหัน <c oughs> ถ้าตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาด้วยผมในไม่ชาอีกล้านปีเศษเศษไม่ชานะถ้าเสียัยก็จักไปลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณคนยิงล้านปีเศษเศษมนุษย์นี้ถ้าท่านเป็นเทวดาบนสวรรค์ฉันวดิเดึงจะมีอายุเทวดาฉันนั้นจะมีอายุพันปีทิศท่านจะมีอายุในเดิมดึงแค่ร้อยปีทิศหรเศษถ้าเสียัยก็จัด เมื่อพระพิอานจัดฟางเทศจบดิวก็เป็นพระาราหันเท่านี้เขามาดาเป็นพระตบิษัทท่านการจะไต่กิเลส ข, ของท่านมันจะได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ตามทีเอาจิตใจมีความแม่นคงในความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสองสอนพระองค์และยอมเคารพพระอริยสงฆ์มีศีลฆ่าปว้สุดติดตั้งปฏิพันธ์อารมณ์อย่างนี้ใช้ได้ยังไงก็ดีตายชาตินี้ไม่ไปอภัยภูมิแน่ บาปเก่าจะมีมากสัตว์ไรก็ตามปีก็ตแตกแค่นี้ที่ไม่สามารถนำทุกท่านลงมาใหม่กับผมได้ตอนนี้ไปเข้ามาได้จะพุทธวิญญาณสัตว์ไรปรดตั้งใจสมาทานศิลป์ตั้งใจสมาทานและกรรมฐาน